ว่าไม่ตั้งใจฟังแล้วมันก็จดจำไม่ได้ <c oughs> วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งเดือนมิถุนายนตรงกับวันแรงสิบคันเดือนหกคนไทยทุทกคน แล้วก็ไม่เฉพาะแต่คนไทยแล้วก็ทุกชาติทุกภาษาทุกเพศทุกวัยมีจิตใจคล้ายๆกันไม่แตกต่างกันเหมือนกันคาว่าคล้ายๆกันเหมือนกันนั้นหมายถึงอะไรอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันคาว่าคล้ายๆกันเหมือนกันคือทุกคนต้องเกลียดทุกหลักสุขทําไมระเกียดทุกหลักสุข เข้าใจว่าความสุขนั่นแนหะมันเป็นหน้าที่ทุกคนจะควรได้แต่ทุกนี้ทุกคนไม่ต้องการแต่ก็จําเป็นเมื่อมีสุขและทุกก็ต้องตามมาทันทีเมื่อมีทุกสุขก็ต้องตามมาทันทีไปยังความทุกเราเนี่ยว่าทุกภาษาสนบ้านภาษาธรรมะเนียยว่าโลก ทำพูดมันไม่เหมือนกันคําว่าโรคนี้มันก็จะเป็นทุกเป็นโรคอะไรโรคเจ็บหัวโรคปวดท้องหรือเป็นโรคอะฮิวาโรคอะไรก็ตามต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลอะฮิวาโรคคนใดมีโรคเป็นทุกทางนั้นทันว่าแกพวกเราก็เรียกว่าทุกคําว่าโรคนี่ก็หมายถึงจิตใจแต่โรคร่างกายทางเนื้อหนังนี้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 ดังนั้นพวกเราเป็นคนไทยฟังคำพูดของคนไทยบางคนก็ยังไม่เข้าใจบางคนก็เข้าใจอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่ <c oughs> ถ้าหลวงพ่อพูดเป็นภาษาเมืองเลยแล้วคนทางภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ฟังไม่รู้รู้เฉพาะคนทางอีสานคนภาคอีสานบางคนก็ไม่รู้ คือมันเป็นภาษาท้องถิ่นเราก็พอลูกันได้ดังนั้นเราเป็นคนไทยศึกษาหลักพระพุทธศาสนาคำว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงอะไรเนี่ยเราไม่เข้าใจแต่คนอื่อนอาจจะเข้าใจหลวงพ่อไม่เข้าใจแต่ก่อนคำว่าศาสนากับพุทธศาสนาเนี่ยศาสนาเน่ยคือสอนเรื่องให้คนติดให้คนติดเป็นบัตถุ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 คันว่าคือกันนก็มีแขนขาหน้าตามือเท้าเหมือนกันคือกันเป็นผู้หญิงผู้ชายมีคือกันแต่ดีใจเสียใจก่อนมีคือกันมีเหมือนกันอันนั้นเขาเรียกคนหรือปุถุชนมันต้องเป็นอย่างนั้นดังนั้นคนเราทุกคนต้องรู้จักหน้าที่การงานของคนถ้าหากคนเราไม่รู้จักหน้าที่การงานของคนแล้วคนนั้นไม่ใช่คน แต่เป็นคนแทงขาหน้าตามือเท่าเป็นคนแต่จิตใจนั้นไม่เป็นคนอันนี้สำหรับผู้ที่มีตาทิพย์เห็นอย่างนั้นไม่ใช่ตาทิพย์นั่งอยู่ที่นี่มองเห็นตับไตไส้ปอดทะลุไปอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นความคิดของปุถุชนต้องคิดไปอย่างนั้นดังนั้นตาทิพย์หูทิพย์สมัยครั้งพระพุทธเจ้าท่านสอนกัน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 แล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตาักอุกณีก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตาักอุกณีท่านสอนแต่เรื่องศาสนานั้นมันมีมาของพระพุทธเจ้าอย่างที่ศาสนาพร า, า, าหมณ์ศาสนาฮินดูเป็นศาสนาดึกดำบรัพ์สอนให้คนรู้จักดีและครู้จัพกพั่ ละชั่วทำดีแต่ยังไม่รู้ถึงว่าที่เป็นโลกด้วยทุกข์นั่นนองพระพู้ได้เจ้าท่านวัดสมุ ท, ทยัยนิโรธมักเรียกว่าอริยสติทุกต้องกำหนดรู้สมุทัยต้องละมักต้องเจริญนิโรธทำให้แจ้งเราพูดกันได้อย่างนั้นคำคำนี่แหละมันไม่เข้าใจแต่เราพูดได้เพราะเราไปเรียนตำรา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 ศึกษาตัวเองให้เรารู้ตัวเองจริงๆถ้าหากเราไม่รู้ตัวเองเราเราจะไม่รู้โลกเลยจะไม่รู้ทุกข์เลยคำว่าโลกเนี่ยโลกคือดินฟ้าอากาศพูดกโลกคือมูสัตเนี่ยโลกคือหมู่สัตว์มูสัตว์ก็คือคนนั่ น, นเองเดี๋ยวสัตว์มนุษย์สัตวเนรสารมันมีประเภทอย่างไรวันนี้น เราไม่เข้าใจโดนสัตว์เราจะไปมองเห็นตั้งแต่สัตว์สี่เท้าของเท้าสัตว์เอกสารอันนั้นสอนไม่ได้สอนไม่ได้เพราะมันไม่รู้จักดีชั่วแม้แต่จะสอนมันได้ก็เพียงขณะเดียวยเท่านั้นเองอย่างตัวสร้างเนี่ยบ้านหนวงพ่อเขามีสร้างกันบางคุณสอนนั่นไปลากไม้เอาเครื่องหนักหนักใสให้มันมั น, นปลอดภเรื่อยๆไปเลยแกจะให้มันทําอย่างที่มัน ดูจิตดูใจเขามันสอนไม่ได้อย่างวังวควายก็เช่นเดียวกันสอนไหลนาคาดนาบ้านหลวงปู่ธรรานาสอนได้แต่เทียงแค่นั้นว่าซ้ายหัวหรือยังไงสอนมันเลยแต่จะสอนให้ดูจิตดูใจเธอที่สอนไม่ได้แม้สุนัข ก, ก็เช่นเดียวกันแต่มันอยู่กับคนแต่สอนมันเรียกมันมาได้ไล่มันนี้ไปได้เป็นอย่างนั่งนัานจะบอกคนเนี่ยมันควรศึกษาให้รู้ ให้รู้จักหน้าที่ของคนจริงๆถ้าหากไม่รู้จักหน้าที่ของเราแล้วเราเป็นสัตว์เราไม่รู้ว่าเราเป็นสัตว์อย่างที่เราเคยพูดกันะนะนี่ผมละอายกเกลียดใจแย่ไปโอตปะโวมเกงกลัวตัวบางอันนี้หลักสูตรผู้ที่เคยบวชเรียนเขียนอ่านนักธรรมสันตีแจด m o r e o v e ไม่ได้เรียนเพราะเขียนหนังสือไม่เป็นอ่านหนันงสือไม่ได้กเพียงแจ็ ครบาอาจารย์เราให้ฟังก็ต้องจดจำนํามาเล้าสู้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันฟังดังนั้นคาว่าเีลิคมละอายแก่ใจนี่คนใดทําพูดคิดไม่มีกมละอายแก่ใจเราจะว่ายังไงมันก็เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานนั่นเองสัตว์เดรัจฉานมันทํามันพูดมันคิดมันไม่ละอายเลยโอตปาคว่มเกงกลัวนี่ การทำการพูดการคิดไม่เกรงกลัวต่อความผิดพลาดไม่เกรงกลัวต่อคนใดมันก็เหมือนกับสติรัสสารนั่นเองแต่แคงขาหน้าตามือเทาเหมือนท่านดังนั้นนักบ่าหรือบัณฑิตท่านก็รู้กล่าวเอาไว้ว่าคนใดไม่มีกลมละอายต่อการทำการพูดการคิดท่านว่าร้ายเหมือนกับสัติรัสสารนั่นเอง เส้นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีสกต่อยกันเนี่ยหวงพวกเคยได้ยินแต่บ้านหลวงพ่อทางนี้จะพูดยังไงไม่ทราบอย่ามายุ่งนะลูกตัวเองก็เคยพูดอย่างนี้อย่ามายุ่งนะกูใจหายนะนี่ก็รู้จักอยู่แล้วใจหายทำไมยังไม่ทิ้งเอาไว้ทําไมอ น, นันต์พูดได้ไม่รู้จักเดี๋ยวเตะ น, นะตีนะนเดี๋ยวเบื้องพอกาปั้นพ่อแม่มือเดียเ๋ยวพอแสงหิ่งหอยเข้ามายล้ว เดียวต้งหน้ากันไม่ไม่เห็นเนี่ยอันนี้แหละจะเดาว่าไม่มีความละอายลายเท่ากับสตัตว์ประสาทีเดียวสตัตว์ประสาทเจ้าของเอาเข้าให้กินทุกวันบางทีมันคิดไม่ดีกักดเจ้าของก็มีคนเนี่ยมันไม่รู้จักหน้าที่ของมันจะถือว่าคนไหมคนไม่รู้จักหน้าที่ก็บเราเรียกว่าสัตว์ประสาทสาหน้าตาแท้งขามือเท่าก็เป็นคนก็จริง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 ในสัตว์มีในคนแต่มันไม่มีในคนแต่มันมันไม่มีในสัตว์ทําไมจึงมันไม่มีในคนเราทำมัไม่ได้สิ่งที่เราทําได้มันมีสิ่งที่เราทําไม่ได้แต่เรียกว่ามันในนี้ในขณะที่เราอยู่เดียวเนี่ยอ่ะยากโกดนะโกดลองดูที่โกดไม่เป็นมาจะแดงกัไม่โกดโกดไม่เปลี่นเนี่ยเพราะมันไม่มีในเราเอาบันทึกทำความรู้สึกตัวเนี่ยทากํามือรู้สึกรู้สึกตัวได้ แสดงว่าสิ่งที่มันมีกับเราเนะี่ยเราไม่สนใจเราไปสนใจสิ่งที่ไม่มีในเรามันก็เลยไม่รู้จักอันนี้หลักพระพุทธศาสนาสอนมาแค่ให้จงให้ทุกคนทําความรู้สึกตัวตื่นตัวทําความรู้สึกใจตื่นใจเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทว่าสัตว์ท้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลาย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 จะเอาเงินไปซื้อไม่ได้จะรักษาสินให้มันเป็นยนังไงก็ไม่ได้จะไปทำความสงบให้มันเป็นยนังไงก็ไม่ได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทำได้ทำวิธีไหนอย่างที่เคยพูดให้ฟังนั่นแหละการทำการพูดการคิดให้มันรู้สึกตัวเคลื่อนไว้โดยวิธีใดก็ให้มันรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้น ขมไม่รู้มันก็หายไปทิละนิดทิละนิดทิละนิดเช่นเดียวกันเหมือนกับถ้ำเนี่ยในถ้ำเนี่ยพอดีเป็นถ้ำมาเป็นรูมันมืดมาอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาแต่คนที่เข้าไปในถ้ำนั่นน่ะแต่รู้จักว่าถ้ามันมืดแต่คนที่สลาดน่ะจุดไฟขึ้นขุมมืดมันหายไปทันทีแต่คนที่ยังไม่สลาดนี่อ่ะอยู่ในถ้ำ ไปทางไหนก็ไม่รู้ก็ well, อยู่ที่มืดนั่นเองเปรียบเทียบให้ฟังเป็นเรื่องสมมุติเปรียบเทียบให้ฟังถ้าเราอยู่ในถ้านะถ้าเราจุดไฟขึ้นควงสว่างมีขึ้นมาเอาไฟมาไว้ข้างหน้ามืดเปมาข้างหลังคัดเอาไฟมาข้างหลังมืดเปนมาข้างหน้าเอาไฟมาข้างซ้ายมืดมาข้างขวเอาไฟมาข้างขวามืดมามาข้างซ้ายเพราะควมมืดมันอยู่ที่ที่ศอกเราที่ที่นี่แหละที่ตัวเรานี่แหละ วันนี้ไฟมันจับอยู่ข้างไฟมันอยู่แต่คนมืดมันลงอยู่ข้างล่างบันนี้เมื่อเราลื้จากวันนี่มันเป็นถ้าที่มันมืดมิดแล้วเราก็ออกจากถ้าใช่มาอยู่นอกถ้าไม่ต้องจุดไฟอันนี้กระแสดงว่าถ้าที่มืดมิดมานานแสนนานก็าตามคนเราก็เหมือนกันที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเข้าใจตั้งแต่ตัวเล็กๆมาก็าตามเมื่อไปฟังจากบุคคลที่รู้ หรือคนที่เข้าใจฟังคําเดียวสามารถที่จะรู้ได้บางคนไม่สนใจฟังตั้งหลายคาก็ไม่เข้าใจก็เลยอยู่ในธรรมนั้นเองคนก็ไปติดตําลากว่าคลายๆลายกันติดดีกว่าคลายๆกันคนติดสุขกว่าคลายๆกันดังนั้นพระพุทธเจ้าแท้จริงสอนว่าให้รู้ให้เห็นให้เป็นให้มีเหมือนกันกับพระพุทธเจ้ารู้อะไร เห็นอะไรเป็นยังไงอันนี้คาดคิดเอาไม่ได้ฟังแล้วจะไปจํเอาคาพูดของคนอื่นไปพูดไม่ได้วิธีที่พระพริจา์ท่นสอนที่สุดของทุกต้องเห็นที่สุดของทุกนี่วะไปถึงแล้วแห่งนั้นแห่งนั้นคือที่รคือไปถึงเรื่องชีวิตเรื่องจิตใจชีวิตของทุกคนมันมีอยู่ที่นี้อยู่ที่คนนั่นแหละไม่ได้เดินไปที่ไหนแหละ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 คนที่พูดไม่ถูกละไม่ถูกไม่ตรงนะ่ะจะถือว่าคนนั้นเป็นมีคมละอายไหมมันไม่ละอายมันไม่ละอายมันจึงพูดได้อย่างหี้นี่คมละอายแก่ใจมันไม่ละอายแก่ใจมันอดตามพระความเกงกลัวตัวบอกมันไม่คิดว่าคนอยู่ที่นั้นจะมีคนรู้เหมือนเราหรือจะรู้กว่าเรามันไม่ได้คิดเลยมันจึงไม่กลัวกับคนอันนี้แหละแต่ว่าโลกโลกมันต้องเป็นอย่างนี้สับสนวุ่นวายเดือดร้อนเนี่ยเป็นแก่คนนั่ะ บางคนอย่างที่หลวงพ่อพูเดคนอาจจะรู้ดีกว่าหลวงพ่อก็มีที่นี้หรือจะไม่เหมือนหลวงพ่อก็มีหรือจะไม่เท่าหลวงพ่อก็มีเราต้องรู้รู้สิ่งที่เรารูน่ะพูดสิ่งที่เรารู้นั่นแหละอย่าไปพูดสิ่งที่เราไม่รู้พูดสิ่งที่เราไม่รู้บางคนเกิดมีความสนใจท่านทำได้ไหมไมนจะว่ายังไงเราทไไํา ไ, ไม่ได้แล้วก็ทําไม่ไ ด, ทไไดทไ้ทำไม่ได้ท่ามาสอนทําไมมันก็ผิดที่นี่ครับ เนี่ยพูดพวดอุตตรีมนุษย์สาธรรมคือทำอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนขาดจากผมเป็นภิกษุภิกษุแปลผู้เห็นไถ่ทย้งหมดดังนั้นจีว่ารู้เห็นเป็นมีเข้าใจแล้วก็พูดได้พูดได้ทาไมพูดให้คนฟังคนมาสนใจก็ต้องสอนเขาได้วิธีที่อาจมาพูดเดี่ยวนี้ๆๆนี่นะอาจมากล้ายืนยันรับรองนว่า ในตำราเขาพูดเอาไว้ผู้ที่ทําสติปัญสีหรือจเจริญสติปัญสีให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่อย่างนานเจ็ดปีอย่างต่างเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันอา น, นิสงไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเลยทันวันนุงเป็นพระอรหันในปัจจุบันพวกนี้ถ้าหากไม่ได้เป็นพระอรหันในปัจจุบันพวกนี้ ต้องเป็นพระอนาคามีแน่นอนที่สุดพระอนาคามีนะั่นจะได้มาเกิดในมนุษย์อีกชาตินึงของเทวนยเนี่ยก็จะได้ไปเกิดในลูกป่าเสนีพรมในอารมุปธรรมผมไม่มีลูกแล้วก็จะได้ตัดทูลที่นั่นแนหะที่เหมือนผมนั่นนหละเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานเลยอันนั้นมันไกลนะอาตมาเขาจะมันไกลคาว่าพรมนี่ก็เราไม่ได้เข้าใจ ผมนี่ก็หมายถึงผมวิหารนั่นเองมีเมตตากรุณามคติตาเปกขาเมืองคมอันนี้ดังนั้นคนจึงศึกษาให้รู้จักแล้วก็ทุกคนมีชีวิตมีจิตมีใ จ, ใจเหมือนกันถ้าเราคิดเห็นอย่างโอคนไม่รู้เมื่อมันไม่รู้รเราจะทํายังไงกับมันมันจึงจะรู้เราต้องพูดให้มันฟังเมื่อมันสนใจจริงๆมันก็ต้องรู้เมื่อมันไม่สนใจมันก็ต้องไม่รู้คนทุกคนต้องการ แต่ไม่รู้เท่าไหร่จะไปจิตก็ เ, เพียงแค่ควสงบความสงบแบบนั้นมันไม่สงบแบบคนคุกมันยังมีโลกพูดให้ฟังมันยังมีโลกโลกอะไรคือโลกโมหะโมหะมันควบคุมไว้มันจึงหนีจากโมหะไม่ได้มันก็อยู่ในท่ามันเองเมื่อโมหะมีอยู่แล้วโลภะมันก็ต้องมีอยู่ที่นั้นเมื่อมีโลภะแล้วโสดามันก็ต้องมีอยู่ที่นั้นคนได้หักละ เลิกเลื่อนลดลงหรืหนีจะโมหโะโสภาโลภะไม่ได้คนนั้นก็เป็นโลกประจับเป็นโรกประจัมชีวิตเม <c oughs> ื่จะมีเงินจากหมื่นล้านแสนล้านเขยังเป็นโลกอยู่เองคนที่ยังไม่มีเงินก็ตามไม่มีอะไรก็ตามแต่เขาไม่ให้มันหลงตัวไม่ให้ลืมตนต้องรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจคนนั้นเรียกว่า ไม่หลงตัวไม่ลืมตัวคือไม่ต้องไปเพ่งเลงคนอื่นมากเกินไปแต่คนอื่นก็ต้องดูให้เห็นดังนั้นจังหวะโลนเราทุกคนดูด้วยกันศึกษาด้วกันได้นับรองมาว่าถ้าทําความรู้สึกตัวบ่อยๆทําความรู้สึกใจบ่อยๆความรู้สึกอั น, นี่แหละมันจะสะสมขึ้นมาสะสมขึ้นมาสะสมขึ้นมาความไม่รู้มันจะหายไปทั้งหมดเลย ความไม่รู้หายไปหมดแล้วมันจะเป็นยังไงเหมือนกับถอนผมออกจากศาีรษะตอวนี้เองพอได้ถอนออกมาปุ๊บรากผมมันตายไ ป, ปพอได้ถอนออกมาเส็จใหญ่ก็ต้องตายไปนะเพราะไม่ได้เลยผมเนี่ยเพราะไม่ได้ดกบบผลลไม้อื่นๆดังนั้นจึว่าทำให้มันเป็นจริงๆพระพุทธเจ้าท่านสอนคนสอนโดยละเอียดและออนที่สุด คำว่าละเอียดละออในทางนี้เข้าใจนะ ب. ว่าว่าอย่างนั้นละเอียดละอ่อว่าละเอียดละออก like เหมือนกันเนอะสอนอย่างปณีิคําว่าปณนิเนี่ยเมื่อเราสอนอย่างปานตก็ทําอย่างปณีิมันก็ได้ของอย่างปานิษฐขึ้นมาสอนละเอียดมันก็ได้ของละเอียดขึ้นมาสอนหยาบหยามันได้ของหยาบหยาบขึ้นมาเหมือนกันดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนแต่เรื่องปานิษสอนเรื่องจิตเรื่องใจดิมองไม่เห็น บางทีมันคิดเราไม่รู้เลยคิดแล้วเราก็ไปตามมันเนี่ยเราไม่ได้ควรกระแสของความคิดเมื่อมันคิดเราไม่เห็นเราไม่รู้มันก็เลยถูกปิดไว้มันก็ เ, ยเผยตัวมันไม่ ไ, มได้ดังนั้นจึงว่าให้เราเห็นให้เรารู้ให้เราเข้าใจเรื่องของคิดนี้เมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจเ่อของคิดแล้วมันเหมือนฟ้ากับดินมันกลวงไปทั้งหมดเลยให้ทานมันก็จะมาที่ตรงนี้ รักษาศีลมันก็จะมาที่ตรงนี้ความสงกมันก็จะมาที่ตรงนี้เพราะเราจะเห็นที่สุดของทุกที่สุดของทุกคือตัวจิตตัวใจของคนนี้เองสีวิตจริงๆมันไม่เคยรู้ว่าทุกว่าสุขก็ตัวจิตตัวใจของเราที่มันวัดทุกที่มันว่าสุขมันว่าเองมันไม่มีคนใดจะพูดให้มันมันพูดเองมันถ้ามันชอบใจมันก็ชอบใจถ้ามันไม่ชอบใจมันก็ไม่ชอบใจ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 ทำให้เราเดือดร้อนได้โลกสนิท ด, ดีใจเนี่ยสําคัญดีใจเราเราเรียกว่ายังไงภาษาบาลีว่าโลภะเโลภะจะเกิดขึ้นมาได้เพราะเรื่องอะไรเพราะเราไม่รู้อันไม่รู้นั่นแหละจะว่ายังไงกั เ, เพราะโมหะโมหะก็แปลว่าไม่รู้ถ้าเราปราศจากโมหะเราจะว่าอย่งอางกับว่ารู้สึกตัวอันควรมรู้สึกตัวจึงมีคขามากที่สุดและปัญญิตที่สุด ไม่ใช่รู้อย่างไปอย่างมาอย่างนี้อันนี้มันรู้หยาบหยาบอย่างที่เราจะรู้ละเอียดปาเนิดลงไปคือเราพาราลิกปากทดลองดูกำมือพลิกมือรู้สึกตัวเลยความรู้สึกอันนี้คนอื่นจะรู้กับเราไม่ได้จังว่าความผิดเรียกความถูกต้องคนอื่นจะรู้ก่อนเราไม่ได้จะรู้เหมือนเราก็ไม่ได้แต่รู้เหมือนกันแต่ว่าคําพูดเข้าใจกันในเรืรู้เหมือนกัน ดังนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราแต่ธาตเมื่อยังไม่รู้ก็ต้องเจาะแสวงหาหาพ้นทุกนี้เองเมื่อพระองค์รู้แล้วพระองค์ก็เลยว่าให้ทําอย่างพระองค์ให้มีสติรู้ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ทั้งสอนเดินก็ให้มีสติอันสติก็ให้รู้นั่นเองเดินก็ให้รู้นั่งก็ให้รู้นอนก็ให้รู้ มันเป็นสีอิเล็กโทรนี้วันนี้คู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิทยากรให้รู้เนี่ยคําว่าคู่เหยียดนี่ก็หมายถึงคู่แข้งคู่ขาหรือคู่ศอกคู่เข่าเหล่านี้นะกำมือเหยียดมือเนี่ยเป็นแบบคู่เหยียดเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวพิษตาเนี่ยมันเคลื่อนไหวอย่างไหายใจมันเคลื่อนไหวอย่างยความคิดบันเนี่ยมันเคลื่อนไหวอยู่อย่อย่างนั้นตลอดเวลาแต่คนเราไม่ได้สนใจเรื่องความคิดอันความคิดเนี่ย มันเป็นอันตรายร้ายกาจที่สุดเราซกต่อยกันกับพราะผมคิดนี้เองนึกว่าเราจะชนะเขาจริงๆพอได้ซกเข้าไปชนะเขาไม่ได้แพ้มาไม่เป็นยังไงดังนั้นนักมวยจะมาเคลียเปรียบนักมวยที่จริ ง, รงๆเขาไม่ต้องไหว้คู่เพิ่นในเวทีต้องซกทันทีซกทิศทรงไหนซกหลุมตาซกหลุมตาทั้งสองตาแล้วมันต้อง เจ็บตาในเจ็บมากที่สุดเจ็บเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะพอเดโซกบนตาในมืนตาไม่ได้เลยอืนักมวยเก่งก็ต้องเหมือนกันอย่าว่าดูควมคิดพอได้บังคิดเราเห็นเรารู้เราเข้าใจความคิดก็เลยถูกหยุดปรุงไปไม่ได้บันนี้เมื่อเราไปดูความคิดมันเนี่ยมันก็ไหลไปเลยไหว้คูไปแล้วบันนี่เราต้องถอนตัวออกมาอยู่กับความรู้สึกเพราะความรู้สึกอันนี้เราทําได้ความคิดเราทําไม่ได้มันไม่มีตัวไม่มีตน พระพุทธเจ้าถึงว่าเราตถาคตไปถึงแล้วแห่ง น, นั้น พ, พระพุทธเจ้าไปถึงที่สุดของทุกนี้เองเมื่อถึงที่สุดของทุกแล้วเหมือนกับที่เราสละอะไรที่ออกจากตัวเราแล้วเราก็เลยไปพูดว่าพระพุทธเจ้าได้สร้างสมอบรมบุญวัสนาบาลามีมามากพระพุทธเจ้าตัดผมข้างเดียวน่ผมในศีรษะของพระพุทธเจ้าไม่ยาวอีกต่อไปอันนั้นเป็นคาพูดไม่ใช่จริง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 เมื่อมันเข้าสู่สภาพของมันแล้วเมืออาตมาก็เคยพูดให้ฟังมีเสื้อไนลอนผูกเสาโซ่นั้นผูกเสาตัดดึงตัดตรงกลางปุ๊มันจะสะท้อนออกจากกันมันมาติดเสาในตามเดิมขณะนั้นมันก็จะคืนไปติดเสาใตามเดิมดังนั้นความคิดมันจริงจะไปไม่ได้มาไม่ได้มันจะเข้าสู่สภาพของมันเมื่อมันเข้าสู่สภาพของมันแล้วมันออกมาไม่ได้อันนั้นเป็นของจริงแต่จังหวะเราไปเข้าใจว่าตัดผมข้าวเดียวไม่ได้อันนั้น เพียงดูความคิดนี่แหละเพียงความเคลื่อนไหวนี่แหละมันเป็นเองความเป็นเองมันมีอยู่แล้วพร้อมแล้วที่จะปรากฏให้คนทุกคนได้แต่เราไม่เข้าใจเราไปติดความสงบไปติดความสงบนั้นก็เลยไม่ได้รู้เราเปนา็นนั่งอย่างพอดีนั่งไปที่ก็ไม่เห็นคนกับสงบจริงบางทีมีของไม่ที่ตรงหน้าเราผู้ร้ายมาเอาของเราไปเราก็ไม่เห็นเดือดร้อนแล้วหนี่ง ถ้าเรามีปัญญาพูดให้ฟังเพียงเล็กน้อยเข้าใจสมมุติเราบ้านเราบ้านของพ่อมีงัวมีควายวัวควายไม่ใช่งัวควายว่าตามตัวนั้นคือเพื่อนเพื่อน้อยตัววัวควายบ้านขอวงพ่อเรียกว่างัวควายถ้าไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเนี่ยผู้รายดีๆมันมากจังวันเลยหลวงพ่อได้ยินไปเพื่อนนี่เขาไว้ผมเด็กน้อยไปเลี้ยงควายเลี้ยงควายผูล้ายมาญาติเอากับเด็กน้อยไปได้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 ทุกเพศทุกวัยทุกช า, ศาติทุกภาษารู้เหมือนกันไม่ว่าเลยว่าจะไม่รู้อะไรรู้เหมือนกันผู้ยิง้งนนก็ต้องรู้อันนั้นผู้ชายก็ต้องรู้อันนั้นพระสงฆ์องค์หนึ่งก็ต้องรู้อันนั้นคนรวยรวยก็ต้องรู้อย่างนั้นคนจนๆนก็ต้องรู้อย่างนั้นเพราะมันมีอย่างนั้นทุกคนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจําเป็นควรศึกษาและปฏิบัติให้รู้แต่เมื่อเราไม่รู้เราเป็นคนอยู่เนี่ยตายแล้วจะเอาอะไรมารู้ ใครจะสอนคนตายได้ตายแล้วสอนไม่ได้เพราะมันทําไม่เป็นเนี่ยกินข้าวก็ไม่เป็นทําอะไรก็ไม่ได้ถ้าจึงสอนคนเป็นเป็นนี้เองแต่คนเป็นเป็นนี้ไม่อยากอาอกเขาเป็นอยังไงแต่ว่าตายแล้วจึงจะทำเอาตายแล้วมันจะทําอะไรได้เนี่ยไอย่างดังนั้นเรื่องสวรรค์ก็ตามเรื่องมิภานก็ตามเรื่องนรกรก็ตามเรื่องสัตว์เบลาร์สานก็ตามที่นํา ม, มาพูดให้ฟัง<ส>มันมีอยู่ที่เรามีอยู่ในทุกคนเนี่ยทุกคนมียกเว้นไม่ได้ ้ศึกษาให้ทุกทุทุกคนต้องรู้ปิดบังไม่ได้แต่เรามามีควมหลงผิดอยู่คำคาหนึ่งสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้กระทำลงไปแล้วในบัดนี้เราก็เลยไปตัดถนาเอาบุญจากคนอื่นและมีส่วนที่จะได้บุญ ไม่ตรงสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทาลงไปแล้วในบัดนี้เราไปคอยเอาบุญจากพระพุทธเจ้านึกว่าเราทำบุญให้ทานรักษาศีลบุญนั้นจะสะท้อนมาให้เราอันนี้เป็นการเข้าใจไม่ตรงแต่ดีดีแต่มันไม่ตรงทำไมจึงไม่ตรงคนอื่นจะทำให้เราได้ไหมไม่ได้เนี่ยล้วจะมีส่วนได้บุญทาไม ฟังคํานี้ไม่ตรงคำว่ามีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําลงไปแล้วในบัดนี้เนี่ยต้องทําตามอย่างพระพุทธเจ้ามีส่วนรู้ส่วนเห็นส่วนเข้าใจอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างตงนีส่วนแห่งบุญพระพเจ้าได้บุกเบิกมาแล้วทางสายมิ้รทางมิใช่ทา ง, ท, า ง, ท, างท่านกสอนท่านบุกเบิกทางเป็นถนนขนทางให้เราเที่ยงไปแต่เราไม่รู้เราไปติดเพียงภาษาคําพูด แปลภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยแปลภาษาไทยให้ไปเป็นภาษาบาลีมันเป็นของยากถ้าผิดก็มันไปไกลอันนี้ที่อากจะมาพูดเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นภาษาสำเนียงแต่ว่ามันยังไม่เหมือนกับภาคกลางจริงๆริงนะที่หลวงพ่อพูดที่มันเป็นภาษาสำเนียงเท่านั้นเองต้อหัดให้เป็นสำเนียงคำว่าจงมีส่วนแห่งบุญต้องทําตามจะมีส่วนรู้ ส่วนเห็นส่วนเป็นส่วนมีอย่างที่พระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เราไปรักษาศีลแล้วอันนั้นจะปรากฏขึ้นให้ไม่อย่างนั้นหรือเราไปทำบุญไปรักษาศีลไปทำอะไรสิ่งนั้นจะปรากฏขึ้นมาให้เราไม่ได้ไม่ได้จริงๆอันนี้มันต้องทำให้หมันเป็นเมื่อมันทาเป็นเหมือนกับโลกเนี่ถ้าเรารักษาหายแล้วยาดับ เรื่องโลกมันกว่าหายได้พระพุทธเจ้าจีวรไม่คืนมาเกิดในเมืองมนุษย์เมืองมนุษย์เมืองคนนี่แหละเมืองมนุษย์นีม่มีแต่โลกพท่านั้นเมืองสวรรค์สันฟ้าก็มีแต่โลกเท่านั้นแต่เราไม่เห็นสวรรค์สันฟ้าอยู่ที่นั้นที่นี่เราไม่เห็นแต่เราซีขึ้นเมืองเมืองสวรรค์ก็ต้องซี่ไปบนฟ้าเนี่ยนะซีในโลกก็ต้องซีไปใต้ดินเนี่ยนแต่ความจริงสวรรค์สันฟ้านในรกนี้ดอยู่ที่เรานี้เอง อยู่ที่เราเนี่ต่อเมื่อเรามีหูทิพตาทิพในขนาดไหนเวลาใดเราก็หมดสงสัยไม่งอนแง่คอนแท ง, งไม่ต้องไปถามใครที่ไหนอีกแล้วเป็นอยางไงยังว่าโลกที่ผูดีึงโลกโพสะโลกโมหะโลกโลภะอันนี้โลกอันนี้เป็นโลกที่ทุกคนทำได้ทำได้ทำไมเพราะโพสะมันก็ไม่มีที่เราโมหะมันก็ไม่มีที่เรา ความหลงมันก็ไม่มีอยู่ที่เราถ้ามันมีอยู่ที่เราเอาทําดูสิหลงดูสิมันทําไม่ได้มันไม่หลงเอถ้าโกธมีที่เราโทรศัพท์มีเอาโกดดูสินี่ยมันโกดไม่ได้ถ้าโลภะมีอยู่ที่เนี่ยเอาทำดูสิเหตุน็้นดูนี่มันเหตุไม่ได้สิ่งนั้นจริงไม่มีที่เราต่อเมื่อมันเกิดได้ในขณะไหนเวลาใดแล้วบแสดว่าเราลืมตัวอันลืมตัวนี่เป็นยังไงท่านวะเหมือนกับสับเวลาสาร คนลืมตัวเนี่ยเหมือนกับสติสรัศาีแต่เหมือนกันไม่ใช่เป็นสตนแต่ใจเป็นสติสรัศมีให้เข้าใจว่าสติสรัศมีกับคนเนี่ยมันไม่ผิดสักดังนั้นการทําบุญก็ดีการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการไปทำความสงบ ก, ก็ดีเราเรียกว่าเอื้อวาริปัสสนาคาว่าวิปัสสนาเ น, นี่ยคนไปทําอะไรก่อน ว, วิปัสสนาทั้งนั้น วิปัสนาเนี่ยมันไม่ใช่มีเรื่องมันเป็นซื้อของขวอมู้แจ้งนั่นเองวิปัสนาแปลว่ารู้แจ้งมาสิรู้แจ้งรู้จริงถ้านู่แจ้งรู้จริงมันต่างเก่าเพราะเราออกจากถ้ำแล้วมั น, นก็รู้แจ้งแต่ก่อนเราอยู่ในถ้ำอาศัยไฟอาศัยไฟก็ไม่ใส่รู้แจ้งนั่นแต่รู้จริงน่ะของจริงไม่เปลี่ยนแปลงในถ้ำมืดมิดมานานแสนนานจะมีผู้ได้เข้าไปในถ้ำ ถามเขถาถ้ำมืมดไหมมืดแต่มไม่รู้เหมือนกับมืดออกจากทำแลส้สว่างสว่างมันถูกได้ดังนั้นการศึกษา เ, าเล่าเรียนมันดีแล้วไม่ใช่ไม่ดีนะแต่เราไม่รู้จักเท่านั้นเองดังนั้นมืดกับสว่างมันจึงตรงกันข้ามควรรู้กับความไม่รู้มันจึงตรงกันข้ามหนักกับเบามันจึงตรงกันข้ามขาวกับดำมันจึงตรงกันข้าม ดังนั้นเมื่อความเป็นอริยะบุคคลเกิดขึ้นมาแล้วความเป็นผู้รู้จะหายแว บ, บไปทันทีเลยเมื่อหายไปแล้วเราก็รู้จักเอออย่างนี้ทําอย่างนี้ทํำไมมาเป็นอย่างนี้แต่เราอย่าไปยึดตัวนั้นถ้าเราไปยึดตัวนั้นเลยไม่ได้ทําไม่ได้เพราะเราทําตัวนี้ทําตัวนี้มันไปเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องโลดเหมือนกับแหวนแหวนกับนดเราหมูนข้างนี้มันมีหันเข้ามันมีหันเข้าหันเท่าแต่ก็ะยึงแน่นเท่านั้น วันนี้เราเพียงหมูนมามูนมาหมูนไปมูนไปไม่ต้องบอกเมื่อใดมันจะล่นออกมาหมูนไปวิดเริ่มเมขาร่นออกมา ท, าทันทีอันตัดผมข้างเดียวก็เช่นเดียวกันดูความคิดมันคิดมาไปรู้ตัดทิ้งไปเลยให้มันอยู่กับความรู้สึกนี้อันควมรู้สึกเราทําได้กำมือมันรู้สึกอยความไม่รู้ไปที่ไหนจะไม่เห็นเนมันไม่มีอ่าบัานนี้เรามองเห็นจิตใจลงไหม ความไม่หลงเนี่ยมันมีอยู่แล้วความหลงอย่างไรว่มันไม่มีความหลงเนี่ยเราก็เห็นจิตเห็นใจเราแล้วเห็นชีวิตของเราแล้วเนี่ยแล้วชีวิตคนอื่นก็เหมือนกันเห็นแล้วเสียเอา้าเราไปฆ่าเขาดูอา้าวฆ่าเขาทําไมเขาก็ไม่อยากตายเหมือ น, นกับเราแต่เราอยากตายไหมไม่อยากตายนคนทุกคนเกิดมาจึงไม่อยากตายและไม่อยากทุกข์อยากมีชีวิตอยู่นานอยากมีความสุขเหมือนกันทุกคนเลยเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราไม่รู้จัก ความทุกข์ น, นั่นแหละคือควมสุขความสุข น, นั่นแหละคือควมทุกข์อันนี้พูดอย่างนี้คนอาจจะฟืดเคืองใจโกรธแทนก็นมีนะบางคนคนได้โกรธคนนั้นตุกนรกทั้งเป็นนะที่หลวงพ่อจะพูดกันไี้นะอันที่เรานนนะอนนรายากมาเกิดเนี่ยเรารู้จักจะมาเกิดมาได้เพราะอะไรเขาบอกคนหมดกรรมแล้วก็ไม่ต้องมาเกิดอ้าวถูกแล้วนั่นนะ่ะกรรมนี่หมายถึงอะไรไม่รู้เลยกรรมก็หมายถึงการกระทํานั่นเอง คนกระทาอยู่แล้วมันต้องมาเกิดจ้าวคนเนี่ยเกิดมาต้องมีอย่างนี้ต้องมีการสืบพันธุ์มีกินมีนอนมีเดินไปเดินมามีอุจจารปัสสาวะเนี่ยจะรู้มันก็เป็นอย่างนั้นไม่รู้มันก็เป็นอย่างนั้นสัตว์เวาารวดรัจฉานโกมรัดังนั้นจู่พระพระเจ้าเห็นสภาพอ น, นโอยอยากของไม่มีมันจะมีทําอยากของไม่ได้กินเอยขอไม่มีมันจะได้กินทำมั้ยท่านว่า อยากของที่มันมีมาจึงกินได้ถ้าของมันไม่มีเราไปหามันก็ไม่พบไม่มีนี่ของมันมีเราไม่สนใจเราไปสนใจขอมไม่มีมนี่เออดีพูดเรื่องตัวนี้ก็อมาพูดกันเรื่องนิมิตให้ฟังเพราะาคนเรามันไม่เข้าใจเรื่องนิมิตนิมิตต้องไปเห็นสีแสงผีเทวดานารกสวรรค์เม่เห็นอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่นิมิตคนลืมตัว ลืมจิตลืมใจมันนึกมันคิดลืมการเคลื่อนการไหวนะี่นนั้นท่านเรนว่าเห็นจริงแต่นั้นไม่ใช่เป็นของจริงเห็นจริงเห็นจริงเพราะมันไม่เป็นของจริงคนพูดอย่างนี้ก็อาจจะากระทบกระเทือนแต่ก็ต้องพูดคนจริงให้ถูกหรือวาคนไม่รู้ถ้าว่านักหนั ก, กเขาบอกคนงโง่เท่านั้นเองเห็นอย่างนั้นคนสลาดเขาไม่เห็นอย่างนั้นนี่เขาว่าคืออย่างที่คนไม่สลดัดคนไม่รู้ก็ เ, เป็นนั่ง หลับหูหลับ rub, ต, ตาตาทำไมตาก็เป็นหน้าที่ของหงอนหูก็เป็นหน้าที่ของฟังมันก็เป็นฝืนธรรมชาตินั่นดังนั้นพระพุทธเจ้า SO e ถึงสอนให้ศึกษากับธรรมชาติมาศึกษาธรรมะศึกษากับธรรมชาติมันจริงๆมันก็ต้องรู้มาจากกฎธรรมชาติมาจริงๆเพราะธรรมชาติมันสอนให้เราจริงๆมันเป็นอย่างไงดังนั้นการศึกษาธรรมะจึงไม่ยากไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ใดทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวคน อยู่ที่ไหนก็ทําได้เรื่องนี้อาตมารู้เรื่องนี้มาเมื่ออายุสี่บหกปีก็เลยพูดในเรื่องนี้เราจะทําอย่างนี้สิ่งอื่นนั่นคนทําไปมากแล้วอาตมาเคยทําบุญเช่นเดียวกันละเคยสร้างกองกระถินเคยบวชหน้าเคยสร้างโบสถ์สร้างกุฏิสร้างศาลาเคยทําถนนเอาพระพุทธรูปนิดเอาเงินเอาทองคําไปล่อพระพุทธรูปอาตมาก็ทำแล้วนึกว่ามันเป็นบุญเป็น บุญอันนั้นมันได้บุญอันนี้อันนั้นมันรู้อย่างนั้นอาตมาเอาเงินกับทองคําไปล่อพระพุทธลูกเลย่อแล้วไปไว้ที่อื่นถ้าเป็นกลัวคนจะไปเอาอีกแล้วเป็นทุกแลบแบบนี้เนี่ยมันเข้าใจอย่างนั้นนว่าได้บุญบุญทาไมบุญก็แปลว่าไม่มีทุกนั่นเองเนี่อคนไม่รู้จัก บ, บุญจึงเอาบุญไม่ได้เป็นอย่างนี้อาตมาเองคนอื่นเท่ไม่ไม่รู้อาตมาพูดเรื่องอาตมานะนี่เข้าใจอย่างอาตมาไม่รู้จัก บ, บุญหาแต่บุญมันนี้ แล้วก็สร้างแต่ทุกข์ให้เราสร้างแต่บาปให้เราเอาไปไว้พระทองคําพระเงินการไปไว้บันไดพุกนี้นกลัวเขาจะเอาไปนี่จะมาไว้ที่นอนบนศรีรษะเราเนี่ยคนอื่นจะมาเอาก็ไปคุกข์แล้วนั่นทุกข์นั้นหมายถึงอะไรก็บาปเนี่ยครับุกกับบาปจึงเป็นอันเดียวกันบุญกับความไม่ทุกข์จึงเป็นอันเดียวกันถ้ารู้จักเราสร้างเอาได้เราไม่รู้จักก็ทําไปรู้อย่างไม่รู้นี่ให้เขา้าใจอย่ังงั้นนรก ก็ต้องกลัวเดี๋ยวนี้กลัวที่ตรงนกลัวโมโกรธนรกผคมโกรธถ้าโกรธขึ้นมาแล้วก็นั่นแหละมันร้อนไฟนรกจึงมันไม่มีแปลื่อมันร้อนข่าวใดแล้วรีบแก้ไขอ้าวมันร้อนมาจากที่ไหนก็เพราะเราลืมใจนั่นเองพอไดีเรามองเห็นสภาพใจปุ๊บมันก็หายไปเลยอาตมาเคยพูดให้ฟังบ่อยว่าวยหวยถึกควยพูนะ แล้วก็ตัวตัวมากกว่าตามแต่แม่เซิงมันติดเซิงของเราตัวเมียนะว่าว่าตัวเมียหรือว่าแม่เซิงาอย่างมันว่าภาษาทางนี้ไม่รู้แล้วว่าจะแม่เซิงหรือไปยังหรือว่าคตัวเมียนะคุยผู้เนี่ยถ้าเราดูมันมันมันติดแม่เซิงแล้วปล่อยออกไปตัวเล็กมันเป็นตัวเมียตัวเมียมันย่านไงเท่าใ่ก็ย่านย่านคุยผู้ตัวเล็กเนี่ยตัวคุยผู้มันก็ต้องป้องมาอยู่อย่างนั้นแหละ มันนี่มีคุยตัวใหญ่ๆมาแต่มันมันไม่ทันเห็นอะไรแต่ควยตัวตัวผู้ตัวใหญ่ๆมาพอดีเห็นตัวผู้ตัวใหญ่ๆมาตัวเล็กๆมันหนีเองมันดังนั้นจึงว่าอันอันความสงบแบบนั้นไม่ต้องสงสัยเลยถ้าเห็นควยตัวตๆมามันไม่ฟ้องม่เซิงอยู่ทช่มันกรอ่อันนี้ก็เหมือนกันความสงบแบบนั้นไม่ต้องมาพูดเลย ผมรู้แบบนั้นไม่ต้องมาพูดเลยจะหมดหิวขมละอไอเกลเจยโอตปะโคมเกงโอตโบัดเพราะมันไม่รู้มันยังไปติดอย่างนั้นมันจะไปทําอย่างนั้นถ้ามันรู้แล้วมันจะไปทําทําไมไมนทําทําไมเสียเวลาเสียประโยชน์นี่นอนสบายดีกว่าตาจึงเป็นหน้าที่ของมองให้เห็นหูจึงเป็นหน้าที่ของฟังจมูกจึงเป็นหน้าที่ของดมกายเราเป็นหน้าที่ที่สัมผัสเย็นร้อนอน่อนี่ย เลี้ยนเราชิ้นอาหารเข้าไปเป็นหน้าที่ที่จะรู้ลจิตใจของเราเรียกว่าทำมาลมเกิดขึ้นกับใจคําว่าทำมาลมเกิดขึ้นกับคือหมายถึงจิตใจเราปรากฏพิกแพงเราต้องเห็นต้องรู้เนี่ยไปฟื้นธรรมศาตร์ยันนักกาเราศึกษากับหน้าที่ของเราไหมไม่ได้ศึกษากับหน้าที่ของเราแสดงว่าเราบิดเบือนตัวหน้าที่ของเราจึงว่าคนเนี่ยมันไม่รู้จักหน้าที่ของคนจึงว่ามันเป็นมนุษย์ไม่ได้ เมื่อเป็นมนุษย์ไม่ได้กับแสดงว่าเราไม่รู้จักหน้าที่ของคนเรายังรู้จักหน้าที่ของสัตว์เราก็ต้องตกเป็นอำนาจของสัตว์เมื่อเรารู้จักหน้าที่ของคนเราต้องศึกษาความเป็นคนความเป็นมนุษย์เรื่องเทวดาเรื่องพระอินทร์พระพรหมแล้วก็ไม่ต้องศึกษาก็ได้ศึกษาเขาได้เป็นอย่างนี้แต่เมื่อศึกษาความเป็นมนุษย์แล้วมันจะไหลไปเข้าไปสู่ความเป็นพระาตบุคคล <Jub ilee> ไม่ว่ายุคนั้นยุคนี <blueberries> ้ไปเหมือนเดิมอันนี้ที่นํามาร้อยก่อนไปเหมือนเดิมยุคพระพุทธเจ้าก็ศึกษาอันนี้ยุคสมัยไม่มีพระพุทธเจ้าก็ศึกษาอันนี้ก่อนหน้าพระพุทธเจ้าคุนก็ต้องเป็นอย่างนี้หลังจากพระพุทธเจ้าตายแตแล้วก็ต้องศึกษาอย่างนี้จี่ว่าเราก็เลยไม่ได้เข้าใจตรงนี้ก็ไปศึกษาตามตัวหนังสือไปศึกษาตามตัวหนังสือนั้นดีแล้วนั่นไม่ใช่ไม่ดีแต่เราไม่รู้วิธีทา อย่างที่หลวงพ่อพูดให้เห็นง่ายๆเนี่ยหลวงพ่อเคยเรียนวิธีกาบเบนจังคับประดิษฐ์เนี่ยนั่งแล้วก็คุกเข่าลงมาเอาซอกสองซอกเนี่ยจับ เ, าาเข้าซ้ายเข้าขวาแล้วก็ศีรษะลงแห่แขบลงไปจนห้าเดกตรงห้าเนี่ยแล้วอาเลยขึ้นมาลูกตัวขึ้นมาสำรับนะเบนจังคับประดิษฐ์แล้วบัดนี้ว่าต้องตั้งสติตรงหน้าลอบ ให้มองเห็นนักขันหัวแทบดินจะมองเห็นอะไรกันอุณแม่ครับหัวแทบพื้นเนี่มันมองเห็นอันนี้ก็แสดงว่าสอนกันมาอย่างนั้นหลวงพ่อก็เลยโอ้นี่ก็ดีเหมือนกันแต่เมื่อหลวงพ่อเข้าใจมาลงมาบัดธรรมโอคําว่าเบนจากไปองค์ห้าเนี่ยเราเอามือนึงเอามือล ง, อ ง, อล ง, งพี่นี่สองเอาศีรษะลงไปย้ําไปจุดพื้นนักเอาโป้มือเลยยําตั้งไว้มันติดจะ ก, กับขี้เราเป็นสองสามเงยขึ้นมาเอามือเรามา ที่ตรงนี้สี่มือเรามายกที่ตรงนี้ห้าใส่ศีสนอนนองมันก็เลยไปตรงเอานโมตตะนาโมตัมตะพะกวะโตอระหะโตสัมมาสัสมพุทธาเป็นภาษาบาลีนะนาโมตัสะพะกวะโตเพิ่นแปลกันเดี๋ยวนี้ว่าแปลว่าขอน่นนนนบทําอย่างนี้น้อมต้องทําอย่างนี้ไม่ใช่เราพูดเฉยเฉยถ้าเราพูดไม่ทําประโยชน์ไม่มีวันนี้เราไม่ต้องพูดทําเลยเนี่ย อันการกระทําที่มีไประยชน์เดีวยวพูดร้อยคําแสนคาสู้การกระทํามไม่ได้การกระทํานี่มันให้มันตรงทีเดียวจิ๋วนะโมตัสสะพระคัมภีโตจิ๋ ว, ตวแต่ว่าขอนกนอนนกใครกน็นกนอนน้อมใครกน็นอนนอนจวเขาลบตัวเองได้ยกมือไหว้ตัวเองได้คนใดหากยกมือไหว้ตัวเองไม่ได้เขาลบตัวเองไม่ได้อันนั้นไม่ใช่คน้นไม่ใช่คนแต่คน้นแต่มันไม่ใช่คน้น แต่แข้งขาหน้าตามือเท้าเป็นคนแต่จิตใจมันเป็นสัตว์มันยังโหดร้ายดังนั้นการศึกษาธรรมะต้องศึกษาการกระทํให้มันรู้สึกจริงๆเราเคยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เขาเคยเทศเคยสอนมา่าโลกนี้ถ้าหากมีพระธรรมวินัยอยู่มีผู้มาประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยู่ มรคนิพพานจะไม่ว่างจากโลกนี้เราจะไปหามรคนิพพานที่ไหนอีกแล้วมรคนิพพานก็คือความสงบนั่นเองเนี่ยสอนกันงังไงลองบ้านเราเนี่ยพ่อกับแม่กับแม่ทะเลาะ ก, กันลูกกับพ่อกับแม่กับแม่ทะเลาะ ก, กันความสงบเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมรคนิพพานมันจะเกิดขึ้นมาแล้วมรคนิพพ า, านก็คือความสงบนั่นเองจึงว่าโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ก็คือเห็นนั่นเอง คือเห็นนั่นเองอ่ะถ้าหากประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัอยู่พระอาหารหันต์ก็จะไม่ว่างจากโลกนี้มรรคผลนิพพานก็จะไม่ว่างจากรลกนี้แต่เราไม่ยอมปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเราจะไปเอาพระอาหารหันต์ต้องมองเห็นมรรคผลนิพพานต้องตายแล้วขึ้นไปสั้นฟ้าพึ่นบินไป็เหมือนนกนี่มาเข้าใจอย่างนั้นอันนั้นก็จริงมึงจริงเรแบบีนมากกว่าจริงจริงแบบไม่รู้มันจะไม่จริงแนะจริง จริงแบบมนุษยอันนั้นจริงไม่จริงจริงแบบไม่จริงรู้จริงแต่ของนั้นจริงไม่ไม่จริงเราต้องกล้าได้อันนั้นมันเป็นขาดคลิปมันไม่ใช่ติของจริงคนที่เห็นนิมิตนั้เห็นจริงมัเห็นจริงแต่ไม่ใช่ติดของจริงจิ๋วไปนั่งกรรมฐานที่เห็นสีเห็นแสงเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอะไรต่างๆเห็นจริงไม่เห็นจริงแต่สิ่งนั้นเป็นของไม่จริง เขาจะจรงนั่นเป็นของม่จริงวรู้อย่างไม่รู้รู้อย่างผู้รู้มันกับผู้อย่างนั่นแหละสงบไม่ใช่ผมสงบสงบแบบนั้น่ะสงบไม่ใช่สงบมันจะสงบทําไมมีคนมาตําหนินิดเดียวก็วูบว่าเพิ่งเป็นโลกแล้วเนี่ยโลกทางจิตใจโลกโลสะโลกโมหะโลกโลภะทําให้คนเป็นทุกขุมทุกในโลกนี่หนึ ทุกไม่สบายายไม่สบายใจเด็กน้อยก็รู้ทุกหิวหิวอยากกินข้าวทุกไหมทุกเนี่ยทุกหิวถ้าได้กินข้าวแล้วเป็นยังไงก็ไม่หิวก็ไม่ทุกทุกอีกประเภทหนึ่งเนี่ทุกยังไงทุกไม่มีเงินไม่มีทองทุกประเภทนึ่ไม่มีเงินไม่มีทองเพราะไม่หาตามหน้าที่ไม่มีข้าวกินก็ไม่ทํางานตามหน้าที่จนเข้าไปบนเนี่ยจนกับทุก กับหิวมันเป็นคำเดียวทุกจนหิวหิวก็มีโรคหิวก็เพราะอยากนั่นเองทุ ก, ก็เพราะไม่มีนั่นเองจนไม่มีอะไรแล้วเป็นทุกเนี่ยทุกเพราะเป็นนี่คนท่านท่านเคยสอนพ่อแม่ก็เคยสอนคนไม่ทุกเพราะไม่เป็นนี่ค น, นอันนี้เราเกิดมาเป็นคนเราจะเป็นนี่พ่อพ่อแม่เลี้ยงเราหรือเราจะทดแทกพ่อแม่เลี้ยงเรา เราก็ต้องหาวิธีไส่นี่แทงสินบุญคุณของพ่อแม่เนี่ยมาเราจะทดแทนได้ยังไงเราก็ต้องพยายามศึกษาหาของจริงกับไปทดแทนท่านท่านไม่รู้ท่ลูกสอนพอ่อสอนแม่ก็ได้พ่อแย่สอนลูกก็ได้พี่น้องสอนกันได้ทางนั้นจรว่าอย่าไปไว้ใจมากเกินไปที่ว่าผ้าเหลืองเป็นเครื่องมืออาลายหากินอย่างงามเขาถวายให้ลราไว้อีกทีผ้าเหลืองนี่เป็นเครื่องมือหากินนะ เป็นเครื่องมือหาจินบางคนเป็นผู้ร้ายรักซึ่งลักขอนเข้ามาพุ่นจี้เข้ามาไม่มีทางไปก็ต้องไปอาศัยกูบ า, าจาัดบวนให้ผมบ้างนะครับมีเงินให้อุปชานี่สิบสาม ส, สิบร้อยบาทท่านกับบวกทุกปักหนึง่งเนี่ยพอดีวบวชมาแล้วก็เอาผ้าเหลืองคอมแล้วก็ดึงผ้าไปบินท บ, บ, บาทจินอย่างสบายเมหาโจรที่เรวที่สุดในโลกเขาเป็นลูกนอกข้อผู้อยู่นอกบรรซีป่าซาผีดิดน้ําปิกรลาล่างเท้าไม่ใช่คนของเรา พระพุทธเจ้าทั้นแต่เราไม่เข้าใจแต่ดีนะไม่ใช่พูดเ่าไม่ดีนะดีดีดพราะอย่างไรดีเพราะคนจะได้เห็นรูปพระเห็นเอาไว้บ้านใดเมืองใดไม่มีพระเจ้าพระสงฆ์ก็ไม่รู้จากกล่าวไม่รู้จากไหวอื่นๆแต่ถึงดีช่วยก็ต้องให้เห็นเอาไว้ผ้าเหลืองอย่างที่พระพุทธรูปเนี่ยท่านส่วยเราได้ช่วย ไ, ได้แต่มีไม่ดีไหมดีแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าตายไปแล้ว มาทําให้รูปพระอันนี้ขึ้นม า, านนอันรูปบวชอันนี้ก็เหมือนกันเขาบวชกันอยู่อย่างนี้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาก็ไปเห็นรูปสมรเูศมันไม่อยู่แล้วแต่เราไปติดรูปแบบอันนี้เราไม่ยอมแก้ไขจิ่มว่าขวมผิดพลาดเป็นครูของเราเราต้องแก้ไขได้เมื่อเราเห็นสิ่งที่บกพร่องที่ตรงไหนเราต้องรีบแก้ที่บกพร่องที่ตรงนั้นเมื่อเราไม่แก้ มันก็อยู่อย่างนั้นเหมือนกับกรร ม, มือนในกำโยนเงี้ตลอดเวลา mm. มื่นไม่แบ่มันก็จะมีแบได้นู่นเราแบได้แต่กรรมมันไม่มีเลยยั้นเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยยินเราก็ต้องอแสดงบอกเรารู้อย่างนี้ในทุกคนก็ต้องทําได้ทดี่ทําอย่างนี้แล้วทําอย่างนี้มันจะเป็นยังไงมันจะรู้เองท่วมเป็นเองมันมีอยู่แล้วเหมือนกับเกี่ยวนอดนว่าจะหมุนไสออกไปจะเป็นเหมือนหัวถ้าหมุนไสออกไปล่นออกบางทีอาจจะเดี่ยวนอดหมุน้ายก็มีบ้างนะมีสิ เออขันทักเกี่ยวขันเข้าหมุนตาก็ต้องขันเข้าไปหลวงพ่อไม่รู้ถ้าหมูนทางออกลราออกทางออกได้คนทุกคนศึกษาได้ไม่ยกเว้นเลยถือศาสนาใดก็ได้แต่ไม่ได้ว่าอย่างศาสนานั้นศาสนาศึกษาไม่ได้เลแก้ขอให้มีคนคําว่าคนนี่ศึกษาได้ทุกคนที่เดียวไม่ยกเว้นเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ศึกษาได้เป็นฆราวาสญาติโยมก็ศึกษาได้ถือศาสนาไหนก็ศึกษาได้ ศาสนาก็หมายถึงคําสอนสอนคนสอนตาให้ดูสอนหูให้ฟังสอนเข้าหูเข้าตาสอนเข้าจมูกอันนี้แหละคนโยมศาสนาจึงแปลว่าคําสั่งสอนของธรรมใครรู้เรื่องอะไรก็สอนในบทนี้คุถ้าศาสนากับศาสนาจึงไม่เหมือนกันคุท้ศ า, าสนาจึงคุถ้าเปรียบผู้รู้ผู้ตืนผู้เบิกบานด้วยธรรมทำอยู่ที่ไหนทำก็คือตัวเรานี่เองรู้ตัวเรานี่เองตื่นตัวเรานี่เองเบิกบานตัวเรานี่เองอยูม ผู้ลูกผู้ตื่นผู้รลบบานได้ทบเมื่อรูกทำแล้ว ก, ก็อยู่กับธรรมะทันวันคนที่ไม่อยู่กับธรรมะไปอยู่กับเพศกับผีอยู่กับสัตว์เวลาสามยู่กับสัตว์นรกมันก็อยู่อย่างนั้นจะว่ากินอย่างสัตว์นอนอย่างสัตว์ไปไหนมาไหนไปอย่างสัตว์แต่ว่าก็ไม่เหมือนสัตว์โดยเฉพาะมันจปงนคนดังนั้นจึงว่าให้ศึกษาอยู่อย่างคนกินอย่างคนไปมาอย่างคนอยู่อย่างมนุษย์ ไปมาอย่างมนุษย์กินอย่างมนุษย์อยู่อย่างพระกินอย่างพระไปอย่างพระมาอย่างพระพูดอย่างพระพูดทันวรันนั้นที่นํามาเล่าให้ฟังเป็นภานษาพื้นบ้านของเรารับรองบ่าวจเจริญคมรู้สึกตัวตื่นตัวเจริญคมรู้สึกใจตื่นใจอย่างนานไม่เกินสามปีอานิสง์ไม่ต้องพูดเลยแต่ตำราบ่าวเจ็ดปี อันนี้ผมไม่ต้องพูดแต่ว่าขอให้ตื่นคนพูดโกจริงทําก็จริงคนที่สอนก็ต้องสอนจริงๆริงอาตมาเคยพูดเรื่องนี้มานานแล้วแต่วิธีนั้นมันมีคือมีจังหวะนั่งจังหวะนอนจังหวะลุกให้มีจังหวะให้มันไปตามจังหวะของมันเหมือนกับนักฟ้อนนักดนตรีเขาทําไปเป็นจังหวะจังหวะจังหวะไปอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกัน ให้มันเข้ากับจังหวะของมันเมื่อมันเข้ากับจังหวะของมันมันก็ไม่ต้องไปฝึกอะไรมันก็ต้องเป็นแล้วเพราะมันเป็นตามจังหวะของมันจังหวะอย่าไปฝูนธรมธรมชาติที่อารรมมาพูดนี่อย่าไปหาว่าลกร้างอย่างนั้นไม่ไม่ต้องลบร้างอะไรอย่าไม่ต้อโอ้เห็นสีแสงผีเทวดาไม่ใช่เห็นเห็นธรรมมาก็เห็นมาไม่ใช่เห็แต่เห็นนั้นมันเป็นของไม่จริงแต่เห็นจริงแต่เป็นของไม่จริงเมื่อเรารู้ตัวเจอแล้วสิ่งนั้นมันมาหลอกเรามาได้ คือใจเราเนี่ยจิตใจได้จริงวะอกแวกออกกลับใต้ไวจิตใจเนี่วอกแวกออกกลับได้ไวบุตรมีรามไขในตนเราท่านควรบังคับคนให้จิตหมูนมาแต่นในทางข้างดีพอปล่อยปะละเลยไวหมูนไปในทางข้างกีทําที่มีก็จกับมีจากหนายหายศูนย์อธะทมเข้าคองนำ้ำความระยำสมบูรณ์ก็ปิ้นออกหลอกตน ทำที่มีจากนี้จากหนาหายสูญอันความรู้สึกมันหนีไปมันสูญไปให้เรามีธรรมเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยอ่ะทำเข้าเขานํำไม่ได้ <Okay. S 1> ไใกล้ๆที่พูดนี้ไม่ยากแต่ว่าโลกอันนี้จะหายไปจริงๆหายโลกโทสาโลกโมหะโลกโลภะโลกดีใจโลกเสียใจเนี่ยมันจะหายไปสิ่งนั้นมันไม่มีที่เราแต่เราไปจับมันไว้เท่านั้นเอง เมื่อเราไปจับไว้เขาเรียกอู่ปาทานดิบมั่นถือมั่นทําบุญให้ทานรักษาจริงก็ตามถ้าไม่มาทําจุดนี้เราไม่มีการสิ้นจบเลยถ้าทําจุดนี้เราจบไปทั้งหมดเลยดี๋ยวฟ้าโขมดินเอาแหละที่นําธรรมะมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็เห็นว่าสระวลแล้วเพราะว่าพูดมาก็ใกล้ใก้ถึงจะได้ชั่วโมงแล้วถ้าที่สนี้อาตมาพร้อมได้พระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่หน้าสถานที่นี้ อาตมาขออ้างอินเอาคุณของพระคุณเจ้าและพระธรรมคา ส, สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระอานาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสักิตใจของพวกเราให้พวกเราได้หันหน้าเข้ามาศึกษาในชีวิตของเหล่านี้ให้เราทุกคนจงได้ทบได้เห็นเอาสัจจะคือผมจริงไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันให้มันคงที่ถาวอนมั่นคง ชีวิตของเราจะประเสริฐสุดนิรันดร์ขอให้ทุกคนทุกคนจงประสบตั้งแต่ความสุขความเจริญของ ค, คำหน้าจงทุกทา่านทุกคนเพอพอดีเล <c oughs> ียงลูกไคกันม